บททีเจ็ดสิบสามเได้รับอนุญาตได้ memperbolehkan ส e s u a t u คุณได้รับอนุญาตให้ขับรถได้แล้วหรือ apakah kamu sudahbole h menyetir mobil? คุณได้รับอนุญาตให้ดื่มแอลกอฮอลได้แล้วหรือ apakah kamu sudahbole h minum alkohol คุณได้รับอนุญาตให้ไปต่างประเทศคนเดียวได้หรือ apakah kamu sudahbole h pergi keluar negeri สนดนตัว <Send> อนุญาตได้ไ o <Bo> l e h เราสูบบุด้ี่้ี่้ได้ได้ไะ้ได ok ้ได้ h k a ได้ได้ได้ได้ไ i ้ได้ไ้สู้บุ้ได้ได้ได้ไะ้ได้ได้ h ด้ได้ได้ได้ได้ได i ไ จ่ายด้วยบัตรเครดิตได้ไหมคะ b o lehkah membayar dengan kartu kredit จ่ายเช็คได้ไหมคะ b o lehkah membayar dengan เช็คจ่ายเงินสดเท่านั้นหรือคะ b o lehkah membayar dengan uang ขอใช้โทรศัพท์ได้ไหมคะ bolehkah saya k apan k apan เ e n e l p o n ขอถามอะไรได้ไหมคะ bolehkah saya m ้คะ b o l e h k a n saya e k a n s y a e k a s u a t u ขอพูด e s a อะไรได้ไหมคะ bolehkah saya m อะไรได้ม e n g a t a ้คะ b o l e h k a n saya e a s a a t u เข k a s านอนในสด e a าธ o ารณะ o าไม่าไรด้ไะ a ไดมได้ Dia เรา psychiatric pedagogDer ขนนนอนในถไม่ได้ os theatres เราา miejsce ขนนนอนทีี่สถถไฟไม่ได้ os เรา i e นั่ได้ไหมคะ bolehkah kami mengambil tempat ini เราขอรายการอาหารได้ไหมคะ bolehkah kami melihat menu makanannya พวกเราขอแยกจ่ายได้ไหมคะ bolehkah kami membayar sendiri sendiri